ความตายในทัศนะของแพทย์สิ่งที่คนเรากลัวมากที่สุดก็คือความตายการกลัวต่อความตายก็เหมือนกับการกลัวผีซึ่งเกิดขึ้นก็เพราะความคิดของตัวเองหลอกตัวเองคนกลัวผีส่วนมากไม่เคยเห็นผีแม้คนที่เล่าต่อๆกันมาส่วนมากก็ไม่เคยเห็นแต่เรื่องที่เล่ามักเป็นเรื่องที่น่ากลัวและฝังเรื่องเหล่านี้ไว้ในใจ ความคิดผิดๆที่ฝังใจเหล่านี้เองที่เป็นเหตุให้เกิดความคิดหลอกตัวเองแล้วก็กลัวถึงเรื่องราวที่ความคิดของตัวเองสร้างขึ้นอันที่จริงคนที่ได้ศึกษาถึงเรื่องโอปปาติกะหรือชีวิตหลังจากตายจงกระทั่งเข้าใจดีแล้วแทนที่เขาจะเป็นคนกลัวผีก็กลับเป็นคนที่อยากจะเห็นผีอยากจะสนทนาอยากจะเข้าไปเกี่ยวข้อง ทางนี้เพราะอะไรก็เพราะโดยปกติโอปปาติกาทั้งหลายซึ่งคนทั่วไปเรียกกันว่าผี น, นั้นก็เหมือนกับคนในโลกมนุษย์ซึ่งมีทั้งดีและเลวมีทั้งรูปร่างหน้าตาดีและไม่ดีแต่เนื่องจากเรื่องที่เอามาเล่าส่วนมากก็ล้วนแต่เอาพวกไม่ดีมาเล่าซึ่งทําให้น่ากลัวส่วนพวกที่ซึ่งหน่าคบน่าพบเห็นน่ารัก และเป็นประโยชน์แก่มนุษย์มากที่สุดนั้นไม่ค่อยจเจ้ามาเล่ากันจึงทําให้ทัศนะของคนที่ได้ยินเรื่องผีผิดไปจากความเป็นจริงในทํานองเดียวกันเนื่องจากทุกคนรู้ตัวว่าวันหนึ่งตนเองจะต้องตายแต่ไม่เข้าใจความจริงเกี่ยวกับเรื่องความตายและส่วนมากเราก็มักจะได้เห็นคนที่กําลังจะตายซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน เราก็เลยเดิกเอาเองว่าทุกคนที่จะตายจะต้องมีความเจ็บปวดเช่นนั้นซึ่งหารู้ไหมว่าคนเราเมื่อจวนจะตายจริงๆ จ, จ, จะไม่รู้สึกเจ็บปวดทางร่างกายเพราะตอนนั้นประสาทชาหมดแล้วถ้าหาความทุกข์ทรมานจะมีในขณะที่กำลังจะตายก็ต้องเรื่องมาจากบาปกรรมในใจที่ได้ทำเอาไว้มากหรือไม่เช่นนั้นก็พระความไม่เข้าใจในเรื่องชีวิต และทำให้เกิดความเป็นห่วงต่างๆแต่สำหรับคนที่ได้สร้างกุศลเอาไว้มากเป็นสัมมาทิฏฐิเข้าใจเรื่องชีวิตถูกต้องนั้นในขณะที่กําลังจะตายจิตใจจะผ่องใสเบิกบานและจะตายลงด้วยความเป็นสุขและหลังจากตายแล้วก็จะเป็นสุขอีกด้วยความตายสำหรับคนที่มีบุญเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก นอกจากจะทําให้ได้เปลี่ยนร่างกายใหม่แล้วยังเป็นเหตุทําให้คนที่ได้ทําความดีไว้นั้นได้รับความสุขจากความดีสมกับที่ได้ทําไว้จริงๆการศึกษาให้เข้าใจเรื่องความตายเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นมากเพราะถึงแม้เดี๋ยวนี้เราจะรู้สึกว่าเรายังจะมีชีวิตอยู่ได้อีกหลายปีก็จะตายก็ตามแต่ถ้าหากเราไม่กลัวตาย และพร้อมที่จะตายได้เสมอนั้นจะทำให้สุขภาพทางจิตของเราดีอยู่เสมอไม่ว่าเราจะทำอะไรจะมีชีวิตอยู่อย่างไรคนเราถ้าลงว่าไม่กลัวตายแล้วความกลัวอย่างอื่นก็ไม่มีความวิตกกังวลก็ไม่มีและจะทำให้มีความกล้าหาญคือกล้าเสี่ยงกล้าทำสิ่งต่างๆซึ่งอันนี้จะเป็นเหตุทำให้ตัวเองมีความเจริญในปัจจุบัน และจะทำให้แม่ประมาทจะสำนึกได้ถึงความดีอยู่เสมอด้วยเหตุนี้การศึกษาให้เข้าใจถึงเรื่องความตายจึงมีประโยชน์มากบันทึกดังต่อไปนี้เป็นความเห็นของแพทย์คนหนึ่งที่ได้รวบรวมประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องความตายซึ่งอาจารย์ชิริพุทธสุขได้แปลมาจากนิตยาาสารภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งขอให้ท่านพยายามศึกษาดูให้ละเอียด แล้วท่านก็จะเห็นว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่อย่างใดในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่8แห่งประเทศอังกฤษมีคุณนางผู้ใหญ่ผู้หนึ่งชื่อเซอร์โทมัสมอร์เกิดขัดใจกับพระราชาขึ้นด้วยเรื่องทางศาสนาในที่สุดถูกลงโทษประหารชีวิตท่านเซอร์ผู้นี้ตามประวัติปรากฏว่าเป็นคนมีนิสัยรื่นเริงป้าหาร ไม่มีจิตขครืงเครียดผู้หนึ่งผู้ใดท่านได้รับยกย่องว่าเป็นรัฐบุรุษนักปราดและนักประพันธ์ผู้มีชื่อเสียงมากผู้หนึ่งในวันที่จะถึงแก่ความตาย น, านั้นท่านเซอร์ได้ก้าวขึ้นบนตะแกรงยิ้มให้แก่เพชฌฆาตพร้อมกับกล่าวว่าช่วยสวดมนต์อ้อนวอนให้กันเดินทางขาขึ้นรอสวรร์อย่างเรียบร้อยด้วยนะพักพวก เพราะขาลงคือลงหลุมคงจะไม่มีปัญหาอะไรนักหรอกคงจะมีน้อยคนเหลือเกินที่จะสามารถเผชิญหน้ากับความตายได้อย่างอมงอาจกล้าหาญเห็นป่านนี้กล่าวกันว่าก่อนที่ท่านเซอร์จะพบจุดจบในวันนั้นท่านได้มองออกมาจากหน้าต่างห้องขังและเห็นพระจำนวนหนึ่งที่ถูกคุมตัวนาไปสู่ที่ประหารอย่างไม่สะทกสะท้าน ท่านจึงกล่าวว่าดูพระเหล่านั้นเดินไปสู่ความตายอย่างร่าเริงช่างเหมือนกับเจ้าสาวเดินไปสู่การวิวาสเสียจริงๆและท่านเซอร์เองก็กล้าไปสู่ความตายของท่านในลักษณะการเช่นเดียวกันมีเหมือนกันเมื่อพูดถึงเรื่องความตายคนทั่วไปย่อมมีความรู้สึกสยดสยองประหวั่นพรั่นพรึงพร้อมกับวาดมโนภาพว่า เป็นเสมอนหนึ่งเทพผู้ดุร้ายมีร่างกายดำมืดฉะนั้นเมื่อเราศึกษาให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าความตายไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวร้ายแรงเหมือนดังที่เราคาดฝันไว้ล่วงหน้าเช่นนั้นเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้มีอายุและผู้ที่เจ็บป่วยมาเป็นเวลานานด้วยแล้ว ส่วนมากก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีน่าต้อนรับซีอีกด้วยเพราะในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถจะพ้นจากความทุกข์ทรมานของโรคร้ายได้น้นความตายก็ดูจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาพ้นจากความทรมานเช่นนั้นไปได้เป็นอย่างดีโดยทั่วไปรู้สึกว่าแม้คนโดยมากจะหวาดหวั่นกลัวตายมาตลอดเวลาก็ตาม แต่พอถึงเวลาจะต้องตายเข้าจริงๆก็ปรากฏว่าส่วนมากสามารถรเผชิญหน้ากับความตายด้วยอาการปรงตกเป็นอย่างดีเคยมีเรื่องราวของบุคคลเปน็นจำนวนมากที่ถึงแก่ความตายจากการจมน้ำตายบ้างถูกไฟฟ้าดูดตายบ้างถูกแก๊สวิตหายใจไม่ออกตายบ้างบุคคลเหล่านั้นต่อมาภายหลังเมื่อบังเอิญฟื้นขึ้นมา ก็ได้เล่าให้ฟังเป็นทํานองเดียวกันว่าในขณะที่ก็กำลังจะตายนั้นไม่มีความทุกข์ทางกายและทางใจตลอดจนความหวาดสะดุ้งอย่างใดเลยรู้สึกแต่ว่าในขณะนั้นมีแต่ความสงบเงียบครอบงำร่างกายและจิตใจอยู่อย่างประหลาดอาการของร่างกายไม่ใช่อาการของจิตใจในายแพทย์มีชื่อเสียงผู้หนึ่งชื่อ เซอร์วิลเลียมออสเลอร์ได้พยายามทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องคนตายมาถึง500รายในจำนวนนี้ปรากฏว่ามี11รายเท่านั้นที่แสดงอาการหวาดหวั่นต่อความตายและก็มีเพียงสองรายที่แสดงความหวาดเสียออกมาในขณะที่กำลังจะตายนายแพทย์แมคโดนัลก็เป็นอีกผู้หนึ่ง ที่ได้เขียนสนับสนุนความเห็นดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้ความคิดที่ว่าความตายจะต้องมีการเจ็บปวดอย่างแสนจะทรมานน้นคงจะเกิดจากการเข้าใจผิดที่ไปมองดูคุริยาอาการของร่างกายเป็นใหญ่นั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้คนส่วนมากจึงมาเกิดความเข้าใจผิดนำเอาอาการของโรคนั้นๆไปปะปนกับความตาย ตามความจริงนั้นในขณะที่คนเราจะตายจริงๆธรรมชาติจะให้มีการหยุดพักเหมือนกันคือในตอนนั้นโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นตัวการจะประสบชัยชนะเด็ดขาดและการต่อสู้ก็เป็นการยุติลงร่างกายเมื่อหมดความสามารถที่จะต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของตนเองได้แล้วก็พร้อมที่จะตายได้ในตอนนี้เอง ก็จะเกิดความสงบขึ้นมาแทนที่ความกระวนกระวายริ้นรนต่างๆซึ่งเคยมีมาแต่เดิมดรยอนเอไรแห่งโรงพยาบาลกายประเทศอังกฤษได้ให้ข้อสังเกตว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่าสะพึงกลัวเหมือนดังที่เราส่วนมากคิดฝันไว้เลยความน่ากลัวต่างๆนั้นเกิดขึ้นเพราะความนึกฝันของผู้ที่เฝ้าดูคนที่กาลังจะตาย มากกว่าที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่กําลังจะตายจริงๆคือเกิดขึ้นพราะเลิกเอาเองว่าในขณะนั้นผู้ป่วยที่กำลังจะตายคงจะต้องมีความทุกข์ทรมานถึงขนาดนั้นๆโดยไม่ได้รู้ถึงความจริงแต่อย่างใดและเมื่อคิดฝันเอาเองจากสภาวะของผู้อื่นเช่นนั้นแล้วก็ฝันต่อไปอว่าเมื่อถึงคราวของตนเองบ้าง ตนก็จะต้ได้รับความทรมานอย่างแสนสาหัสเช่นเดียวกันโดยความจริงแล้วผู้ที่กำลังจะตายนั้นอาจจะรู้สึกเป็นห่วงกังวลถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือไม่ก็ได้ทางนี้สุดแล้วแต่สภาพของผู้นั้นเองแต่เขาจะไม่รู้สึกหวาดเสียวเลยดอกเตอร์อันเฟรดวอร์เซสเตอร์ศาสตราจารย์แห่งวิชาอนามัยแห่งฮาร์วาร์ดได้กล่าวไว้ว่า เกือบจะทุกครั้งทีเดียวก่อนที่ผู้ป่วยจะถึงแก่ความตายนั้นมักจะรู้ตัวและเต็มใจตา ย, ตายเสมอข้าพระเจ้าเองก็ยังไม่เคยได้พบเห็นผู้ป่วยที่แสดงอาการผิดไปจากนี้เลยคือพอถึงเวลาจะตายเข้าจริงๆแล้วการตายก็ไม่ใช่ของยากเย็นอะไรเลยก่อนน่าจะตายนั้น ถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์และความเจ็บปวดอย่างแสนทรมานเพียงใดก็ตามเพราะถึงเวลาจะตายเข้าจริงๆก็มักจะมีระยะพักที่ทาให้เกิดความสงบหรือบางครั้งก็ทำให้เกิดความปีติยินดีซอีกด้วยผู้ที่เคยเฝ้าดูเรื่องเช่นนี้มาอย่างไครครวนตามเหตุผลจริงๆตา่ก็เห็นพ้องต้องกันว่า สิ่งที่เราเรียกกันว่าความเจ็บปวดทรมานในขณะจะตายนั้นไม่มีจริงเลยนอกจากเป็นเรื่องที่คนส่วนมากคิดว่าดภาพเอาเองทั้งสิน้นจริงอยู่สภาพของร่างกายที่มีการกระตุกต่างๆนั้นอาจทําให้เกิดความสังเวชได้และแล้วก็ทําให้ผู้ที่พบเห็นเช่นนี้คิดฝันว่าคงจะเกิดจากความทรมานอย่างแสนสาหัสแต่อันที่จริง ก็เป็นเพียงอาการสะท้อนของกล้ามเนื้อเท่านั้นเองโดยในยะเดียวกันการที่ผู้ป่วยแสดงสีหน้าบิดเบี้ยวต่างๆนั้นก็เป็นไปโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้เป็นเครื่องแสดงถึงความเจ็บปวดอย่างทรมานเสมอไปอุทาหรณ์ในความจริงข้อนี้อาจเห็นได้จากคนที่กำลังหลับบางคนซึ่งทำหน้าบิดเบี้ยวไปได้ต่างๆนันกัน ทั้งทั้งที่ในขณะนั้นเขาไม่ได้มีความเจ็บปวดอย่างใดเลยความจริงเกี่ยวกับความตายนี้ในเมื่อแพทย์ได้เป็นผู้รวบรวมสังเกตหรือได้ประสบมาด้วยตนเองย่อมเป็นเรื่องที่ควรเชื่อถือได้มากทีเดียวแพทย์ผู้หนึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจในคราวหนึ่งอาการของโรคกำเริบอย่างรุนแรงจนเกือบจะถึงแก่ความตายอยู่แล้ว เมื่อฟื้นขึ้นมาก็ได้เล่าให้ฟังว่าในขณะที่เขากำลังจวนจะตายนั้นก็รู้สึกว่ามีอาการมึนงงไม่รู้สึกตัวคล้ายๆกับมีอาการมึนเมาเล็กน้อยเฉนั้นนี่คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นแก่เขาเองแต่ผู้ที่เฝ้าดูอาการอยู่ข้างๆกลับรายงานว่าได้เห็นเขาแสดงกิริยาการเหมือนกับว่าได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส แพทย์อีกคนหนึ่งผู้ซึ่งเป็นโรคปอดบวมอย่างรุนแรงจนเกือบจะตายก็ได้รายงานเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วว่าในตอนนั้นเขาไม่รู้สึกถึงอาการของโรคร้ายแต่ประการใดเลยแต่ผู้ที่เฝ้าดูอาการของเขาอยู่ก็บอกเช่นเดียวกับรายที่แล้วมาว่าอาการทางร่างกายของเขาแสดงว่าเขาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างล้นเหลือสําหรับตัวคนป่วยเองนั้น เขาบอกว่าเขาจำอะไรไม่ได้เลยในเมื่ออาการของโรคเข้าขั้นรุนแรงมารู้สึกตัวอีกครั้งก็เมื่ออาการรุนแรงนั้นผ่านไปแล้วจึงลุกขึ้นขออาหารกินทันทีนอกจากนั้นยังมีอีกสามรายซึ่งจมน้ำจนกระทั่งสิ้นสติไปเมื่อได้รับการแก้ไขให้ฟื้นขึ้นมาต่างก็รายงานเป็นทำนองเดียวกันว่า หลังจากที่ได้รื่นรนตะเกียกตะกายจนหมดกำลังแล้วระยะต่อจากนั้นก็รู้สึกว่ามีแต่ความสงบและสบายดีบุคคลอีกคนหนึ่งชื่อวิลเลียมฮันเตอร์ผู้เป็นนักกายวิภาควิทยาในศตวรรษที่18ได้กล่าวพึมพำรรออกมาในขณะที่จวนจะตายว่าถ้าฉันยังมีแรงเขียนหนังสือได้ก็จะเขียนหนังสือบอกให้รู้ว่า การตายนั้นเป็นเรื่องที่สะดวกและสบายจริงๆสภาพของร่างกายที่กำลังจะตายในขณะที่ความตายกำลังคืบคลานเข้ามานั้นหัวใจก็เต้นช้าลงซึ่งหมายถึงว่าจะสูบฉีดโลหิตได้น้อยลงทุกทีเปลวไฟแห่งชีวิตในตอนนี้ก็จะค่อยๆมอดลงทีละน้อยดังนั้นความเจ็บปวดอันแสนจะทรมานใดๆก็ตาม ที่เป็นอาการของโรคร้ายมาแต่เดิมนั้นก็จะค่อยๆบรรเทาลงเรื่อยๆในเมื่อความสามารถในการรับรู้สัมผัสของร่างกายกำลังเสื่อมประสิทธิภาพลงในโรคที่มีความเจ็บปวดทรมานอย่างร้ายแรงเช่นโรคอันเกิดจากเยื่อหุ้มสมองหรือไขสันหลังอักเสบเช่นไข้การนกนางแอน่นหรือในโรคบาดทะยัก ก็มีระยะหยุดพักของอาการทรมานให้เหมือนกันในเมื่อก่อนจะถึงความตายหลังจากระยะพักดังกล่าวแล้วปริมาณการขาดออกซิเจนก็จะกระทบกระเทือนไปถึงสมองในตอนนี้ผู้ป่วยก็อาจจะเห็นภาพหรือได้ยินเสียงซึ่งไม่มีอยู่ในโลกนี้เช่นอาจได้ยินเสียงระฆังดังกังวานหรือได้เห็นแสงเป็นฟ้าแลบแปลกปรากก็ได้ อาการกระสับกระสายก็อาจมีได้บ้างไม่มากนักต่อจากนั้นเขาก็จะค่อยๆก้าวเข้าไปสู่ความมืดโดยเมื่อรู้สึกถึงความเจ็บปวดและไม่รับรู้ถึงประสาทสัมผัสอย่างใดๆทางร่างกายเลยอาการที่ความรู้สึกดับวูบลงซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะถึงแก่ความตายนั้นมีลักษณะไม่ผิดอะไรกับการอย่างลงสู่ความหลับนั่นเอง ในรายของคนชราซึ่งนอนหลับแล้วก็เลยตายไปเลยหรือในรายที่เกี่ยวกับเด็กๆ ก, ก็มักเป็นจริงดังที่กล่าวมานี้ในรายที่ผู้ตายสามารถรักษาสติสัมปชัญญะไว้ได้จนถึงที่สุดนั้นอัธยาศัยที่แท้จริงของผู้นั้นก็มักจะแสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนตอนนี้เองบุคคลที่มีนิสัยมองโลกและผู้อื่นในแง่ไม่ดี มีความชิงชังและเคร่งเครียดฝังอยู่ในสันดานก็มักจะแสดงอารมณ์ร้ายออกมาให้ปรากฏในตอนใกล้จะตายส่วนผู้ที่นิยมในการทำความดีมีจิตผ่องใสก็แสดงลักษณะอันแท้จริงของตนออกมาเป็นคำพูดและความคิดในทางที่ดีแต่มีสิ่งที่น่าแปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งคือว่ามันสมองของคนที่กำลังจะตายน้น บางครั้งก็กลับสดชื่นแจ่มใสขึ้นมามากกว่าที่เคยเป็นมาแต่เดิมได้เหมือนกันอุทาหรณ์เรื่องนี้ได้แก่เกอร์เต้ซึ่งเป็นกวีชาวเยอรมันซึ่งสามารถสาทยายบทกวีภาษากรีกได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งตายทั้งๆ ท, ท, ที่ก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้ศึกษาภาษากรีกมาเป็นเวลานานถึงห0ิปีได้แล้วหมายเหตุผู้แปล เรื่องนี้โปรดเลอกเทียบดูกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ผู้สามารถดำรงพระสติได้อย่างสมบูรณ์ในวันสวรรคตโดยที่พระองค์สามารถรจนาคาถาภาษาบาลีและแต่งจดหมายลาพระสงฆ์ได้อย่างถูกต้องไม่ฟั่นเฟือนดังนั้นขอให้เราจงมองดูหน้าของความตายให้เต็มที่อย่าหวาดกลัวอันที่จริง ความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเหมือนดังที่เราส่วนมากวาดภาพเอาเองในใจเลยเราผู้เป็นผู้ใหญ่ย่อมเคยยิ้มอยู่ในใจหรือไม่ก็หัวเราะต่อความกลัวของเด็กเล็กๆในวันที่แกรเริ่มเข้าโรงเรียนเป็นวันแรกหรือในเมื่อเห็นเด็กผู้หญิงสาวซึ่งตื่นเต้นหวากลัวในเมื่อต้องออกปรากฏตัวในงานวันแรกในชีวิตฉันใด ความกลัวตายของคนทั่วไปซึ่งไม่รู้เรื่องของความตายดีและนึกหวาดวานหรือตื่นเต้นไปเองก็เป็นทํานองเดียวกันนี้ฉันนั้นเราทุกคนไม่มีใครกลัวความหลับเพราะรู้อยู่ว่าเป็นการทำให้เราได้มีโอกาสพักผ่อนอย่างเป็นสุขหลังจากที่ตรากตรำทางานมาตลอดวันดังนั้นเหตุใดเราจึงจะกลัวความตาย ซึ่งเป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้มีโอกาสพักผ่อนอย่างเป็นสุขหลังจากที่ได้เผชิญเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตมาแล้วอันที่จริงความตายนั้นเป็นความกรุณาของธรรมชาติอย่างหนึ่งและเราควรจะต้อนรับมันด้วยความยินดีจากเรื่อง No Final t o r y โดยเจดีรัตคริ